ก็โดยอาการใส่ใจมองกายโดยความเป็นของสวยของงามถ้าหากเรามองเสียตามจริงว่ากายเป็นของสุกปรกใส่ใจโดยแยบคายว่าตั้งแต่จีตาจะลดเท้าไม่มีส่วนใดสะอาดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ล้ำกลกามเสียได้ฉันลองทำตามที่ยุคปัจจุบันทำกันคือหาภาพศพน่าสะอิดสะเอียนมาดูเผอิญฉันเป็นคนไม่มีจินตนาการแรง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 ที่วานกันฆ่าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ามหาวันครั้งหนึ่งพระองค์แสดงเทศนาธรรมสรรเสริญอสุภากรรมฐานคือข้อปฏิบัติดูกายโดยความเป็นปฏิกูลตลอดจนพรรณาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภาเป็นตัวตั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็หลีกเร้นอยู่เพียงลำพังประมาณสองอาทิตย์โดยไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ผู้ใดรบกวน